พระพุทธองค์ตรัสเทศนาอริยศาสตร์แต่ละอันแต่ละอันมีอัฏฐะได้ละสี่ละสี่คือทุกขอริยศาสตร์นั้นมีอัฏฐะได้สประการปีรนะโธมีอัฏฐะว่าเบียดเบียนประการหนึ่งสังขตะโธมีอัฏฐะว่าปัจจัยประชุมแต่งประการหนึ่งสันตาปัทโธมีอัฏฐะว่าเดือดร้อนประการหนึ่ง วิปรีณมทัทโธมีอัฏฐาว่าแปรปรวนประการหนึ่งเป็นสประการด้วยกันอัฏฐะเบื้องต้นคือปีระนธะโธนี่แหละเป็นลักษณะแห่งตนคือเป็นลักษณะแห่งทุกขอริยสัตย์แท้แสดงอัฏฐาว่าปีระนธะโธนั้นหวังจะให้เห็นใจความว่ากองทุกขิบสองประการคือชาติทุกข์อันบังเกิดแกสัตว์ อนอุบัติเอากำเนิดอยู่ในวัตาสงสารนี้ก็ดีชราทุกข์อันมีลักษณะกระทําให้อินทรีย์คร่คราๆวิกฤตวิปริตนั้นก็ดีพยาที่ทุกข์อันมีลักษณะให้ป่วยไข้ลำบากเวทนามีประการต่างๆนั้นก็ดีมรณะทุกข์อันมีลักษณะตัดเสียซึ่งชีวิตอินทรีย์นั้นก็ดีโสกทุกข อันมีลักษณะให้เดือดร้อนพลุ่งพล่านประสำรสายอยู่นาภายในนั้นก็ดีปริเทวทุกอันมีลักษณะให้ร้องไห้ร่ำไรมีน้ำตาอันหลั่งไหลฟูมฟองนองเนตรนั้นก็ดีทุกอันมีลักษณะกระทามให้จิตหดหูสลดระทศทอดใจใหญ่อยู่นั้นก็ดีโธมนัสทุกอันมีลักษณะให้น้อยเนื้อต่ําใจ คัดแค้นคึงเคียดนั้นก็ดีอบายะสุขอันมีลักษณะให้สะอื้นอาลัยนั้นก็ดีอปิเยหิสัมปโยชคทุก์อันมีลักษณะให้ขัดข้องมองมัวตรอมใจเหตุประกอบอยู่ด้วยสิ่งอันมิได้เป็นที่รักนั้นก็ดีปิเยหิวิประโยชคทุกอันมีลักษณะให้โศกสันโสกา ในการเมื่อพลัดพรากจากสัตว์วและสังขารอันเป็นที่รักนั้นก็ดียามปิดชังนรลปติตามปีทุกขังทุกอันมีลักษณะให้หม่นมองหมกมุ่นวุ่นวายใจในขณะเมื่อปรารถนาสิ่งใดและไม่ได้สมความคิดนั้นก็ดีกองทุกทั้ง12ประการนี้ย่อมเบียดเบียนสัตว์ให้ได้ความลำบากเวทนาเกิดมาเป็นสัตว์วะมีชีวิตแล้ว ก็เทียงที่ทุกข์จะเบียดเบียนจะได้ปราศจากทุกขนั้นหามิได้เหตุชะนี้สมเด็จพระสันเพชรพุทธเจ้าจึงทรงสแสดงอัฏฐะคือปีลานัทโถเป็นลักษณะแห่งตนแห่งทุกขะอริยสัตว์ด้วยประการชะนี้และอัฏฐะเป็นคำรบสองคือสังขาตัดโนั้น มีอัฏฐานที่บายตลอดถึงสมุทิยาสัตว์จะให้เห็นใจความว่ากองทุกนี้บังเกิดด้วยตัณหาตัณหานี้เป็นปัจจัยประชุมแต่งให้เกิดกองทุกทั้งปวงสิ่งอื่นๆจะเป็นปัจจัยให้เกิดทุกตกแต่งกองทุกให้แก่สัตว์วะเหมือนด้วยตัณหาหาไม่ได้พระพุทธองค์ประสงค์จะให้เห็นใจความตลอดถึงสมุทยสัตว์นี้จึงเทศนาแสดงอัฏฐ คือสังขาตัดโธนี้เป็นอัฏถะแห่งทุกขะอริยสัตว์เป็นคำรบ2สองและอัฏถะเป็นคำรบ3สามคือสันตาปัดโธนั้นมีอัฏฐาที่บายตลอดถึงมรรคสัต์จะให้เห็นใจความว่ากองทุกข์ทั้งปวงจะกระทําให้สัตว์ตวะเดือดร้อนระส่ามระสายเพราะเหตุที่สัตว์ตวะทั้งหลายมัวเมาประมาทอยู่ ไม่อุสาหะปฏิบัติตามมัคคสัตย์อันประกอบด้วยองค์แปดประการมีสัมมาทิฐิเป็นต้นมีสัมมาส ม, มาธิเป็นปริโยสารถ้าสัตว์ว่าทั้งหลายอุสาหะปฏิบัติตามมัคคสัตย์อยู่แล้วกองทุกข์ทั้งปวงก็จะไม่ได้บังเกิดมีกองทุกข์จะกระทาให้เดือดร้อนระสำระสายนั้นก็เพราะเหตุที่ไม่ปฏิบัติตามมัคคสัตย์พระพุทธองค์ ประสงค์จะให้เห็นความชัดตลอดถึงมรรคสัจฉนี้จึงแสดงซึ่งอัฏฐคือสันตาปัาโธเป็นอัฏฐะแห่งทุกขอริยสัจเป็นคำรวบสามและอัฏฐะเป็นคำรวบสี่คือวิปริณามัทโหนั้นมีอัฏฐะที่บายตลอดถึงนิโรธสัจจะให้เห็นใจความชัดว่ากองทุกทั้งปวงมีชาติทุกขเป็นต้น จะกระทำให้สัตวโลกถึงซึ่งวิปริตต่างๆนั้นก็เพราะเหตุที่ยังมิได้สาเร็จซึ่งนิโรธศัตว์คือพระนิพพานท่านผู้มีวาสนาบารมีปัญญาแก่กล้าได้สาเร็จพระอริยมักอริยผลกระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานได้พระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วการใดกองทุกข์ทั้งปวงก็จะสิ้นจะสูญจะเป็นสุขเที่ยงแท้ ไม่ปราปรวนวิปริตผิดพันธ์อันจะปราบรวนวิปริตผิดพั น, น, วนวธ์นอยู่ในอำนาจทุกเป็นเพราะเหตุที่ไม่ได้กระทําให้แจ้งซึ่งนิโรธสัตว์พระพุทธองค์ประสงค์จะให้เห็นความชัดตลอดถึงนิโรธสัตว์ชนีจึงทรงสแสดงอัฏฐะคือวิปริณามัตโถเป็นอัรฐะแห่งทุกขอาเรยสัตว์เป็นคำรบศิริเข้าด้วยกัน เป็นอัฏฐะแห่งทุกขอริยสัจสีประการ